พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหาสัจจการสูตรว่าด้วยคำถามของสัจจกะนิครนทบมุตรเรื่องการอบรมกายการอบรมจิตในพระพุทธศาสนาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคมีพระพุทธประสงค์ จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีขณะนั้นสัจจกะนิครนเถุรเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันท่านพระอานุนได้เห็นสัจจกะนิครนเถุรเดินมาแต่ไกลจึงกราบถูนอารัธนาขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งรอสักครู่ก่อนเพื่อสงเคราะห์เขาสัจจ ก, กนิครนเถุรเข้าไปถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งนัทที่สมควรแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมพวกหนึ่งมันประกอบกายภาวนาอยู่แต่ไม่มันประกอบจิตตภาวนาสมณพราหมพวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางกายเรื่องเคยมีมาแล้ว เมื่อบุคคลถูกทุกเขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดยออขาจะมีบ้างอัฐัยจะแตกบ้างอาเจียนเป็นโลหิตบ้างมีจิตปุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างจิตอันหมุนไปตามกายของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจกายที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่ได้อบรมจิตมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมันประกอบจิตต ภ, ภาวนาอยู่ แต่ไม่มั่นประกอบกายภาวนาสมณพราหม์พวกนั้นย่อมประสบทุกเวทนาทางจิตเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกเวทนาทางจิตกระทบเข้าแล้วความขัดย่อขาจะมีบ้างหัตทถทยจะแตกบ้างอาเจียนเป็นโลหิตบ้างมีจิตปุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างกายที่หมุนไปตามจิตของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจจิต ที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่ได้อบรมกายข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความคิดว่ามูสาวกของท่านพระโคโดมมันประกอบแต่จิตตภาวนาคืออบรมแต่จิตแต่ไม่มันประกอบกายภาวนาคือไม่อบรมกายเลยสำหรับคำว่ากายภาวนาอบรมกาย พวกนิครนถือว่าคืออตตกิลมัานุโยคหรือการทรมานร่างกายจึงกล่าวหาว่าพระสาวกไม่ได้อบรมกายแต่ในทางพระพุทธศาสนากายภาวนาอบรมกายได้แก่วิปัสนาภาวนาคือการอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งส่วนจิตภาวนาคือการอบรมจิตได้แก่สมถภาวนาการเจริญสมาธิ อบรมจิตให้เกิดความสงบดังนั้นคำว่ากายไม่ได้หมายถึงร่างกายเสมอไปหากหมายถึงนามกายหรือธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกซึ่งมีที่ใช้อยู่หลายแหง่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอ ค, คิเวสณะท่านได้ฟังกายภาวนามาอย่างไรสัจจานิกรณทบุตรทูลตอบว่า ค้าแต่พระโโดมผู้เจริญท่านนันทะวัชโคดท่านกิตตะสังกิตโคดท่านมคคลิโคสารก็ท่านเหล่านั้นเป็นอเจลกะคือเป็นชีเปลืย่ยเป็นคนไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทาเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญ ไม่รับอาหารจากปากพาชนะไม่รับอาหารกรอมธรณีประตูไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคันหญิงที่คอเคลียชายไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขในที่มีมแมลงวันไต่ตอมไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราเมรไรและยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวอย่างชีพด้วยข้าวคําเดียวบ้าง รับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำบ้างอย่างชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบบ้างสองใบบ้างเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคพัฒาอาหารตามวาระสบห้าวันต่อมือ้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อักคิเวสนะบุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยสิ่งที่กล่าวมาเพียงเท่านั้นอย่างเดียวหรือเปล่าสัจกะนิครนทบุรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้นเกี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคโภชนะอย่างดีดื่มน้าอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกำลังจเจริญอ้วนทีขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคีเวสนาบุคคลเหล่านั้นละทุกระกิริยาที่ประพฤติมาก่อนแล้วบำรุงกายนี้ในภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและความเสื่อมไปข้อนี้หมายถึงตอนทรมานตนร่างกายก็เสื่อมหยุดทรมานตนร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์มีความเจริญและความเสื่อมตามสิ่งที่ทำ ไม่ได้เกี่ยวว่าอบรมกายด้วยการทรมานกายแล้วจะส่งผลดีต่อร่างกายพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าตัทคีเวสณนาะท่านได้ฟังจิตตภาวนามาอย่างไรสัจจกะนิครนเบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนาไม่อาจทูลตอบได้ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจจกะนิครนทบุตรว่าอคีเวสณากายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินยัทนยท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตตภาวนาได้อย่างไรบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิต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 ผู้ยังไม่ได้สดับมีสุขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเกิดขึ้นแล้วมีความยินดีและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนานั้นดับไปจึงเกิดทุกขเวทนามีความทุกขใจขึ้นเศร้าโศกเสียใจรำพันตีอกคร่ำครวญหลงไหลในสุขเวทนาที่เคยเกิดขึ้นนั้น สุขเวทนาเกิดขึ้นครอบงมจิตของผู้นั้นตั้งอยู่ได้ก็เพราะมิได้อบรมกายทุกเวทนาเกิดขึ้นครอบงามจิตของผู้นั้นตั้งอยู่ไ ด, ไ ด, กกได้ก็เพราะมิได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ครอบงมจิตได้เพราะเหตุที่ไม่อบรมกายและไม่อบรมจิต บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นไม่มีความยินดีและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนานั้นของเขาดับไปทุกเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกเวทนากระทบเข้าแล้ว ก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกแล้วครอบงำจิตไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำจิตไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้น แกอริยาสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ครอะห์งามจิตไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมกายและได้อบรมจิตอคิเวสนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้สัจจกะนิกรนขบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดม เพราะท่านสมณะโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอักคิเวสณนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านเริ่มแต่เราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตตั้งแต่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนา หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่อักคีเวศนะทำไมเวทนาทั้งสองนั้นจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก่อนการตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดว่าการอยู่กรองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่ง การที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังคัดมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิดการอยู่ครองเรือนชื่อว่าเป็นเรื่องอึดอัดเราไม่มีเวลาว่างเพื่อจะทำกุศ ล, ลกรรมแม้เรือนจะมีเนื้อที่กว้างขวางถึง60สงิบศอก มีบริเวณภายในบ้านตั้งหนึ่งร้อยโยธมีคนอยู่อาศัยเพียงสองคนคือสามีพัรยาก็ยังถือว่าอึดอัดเพราะมีความห่วงกังวลกันและกันชื่อว่าเป็นทางแห่งธุลีเพราะเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทาจิตให้เศร้าหมองเช่นราคะเป็นต้นนักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอดปราสาทแก้วและเทพวิมาน ซึ่งมีประตูหน้าต่างมิดชิดก็ยังถือว่าปลอดโรปร่งเพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใดๆเลยจากนั้นตรัสเล่าพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอลาระดาบทและในสำนักของอุทะกะดาบทข้อความเหมือนในปาสราสีสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนี้นะครับเมื่อฝึกวิชาจนจบขั้นสูงสุด แต่ได้เกียงแค่ฌานสมาบัติที่ยังดับทุกข์ไม่ได้จึงบอกลาแล้วจาวริกไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจนพบสถานที่ที่เหมาะแก่ ก, การบำเพ็ญเพียรอคีเวสนะครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราอุปมาข้อที่หนึ่งเปรียบเหมือนไม้สด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 อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพรามเราใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระงับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นแม้สวยทุกขเวทนาหรือไม่ได้สวยทุกขเวทนา ที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียนก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันนาอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราอุปมาข้อที่สองเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบก ห่างจากน้ำบุรุตนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอคีเวสนะท่านคิดว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้หรอกท่านพระโคดมเพราะไม้สดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุตนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าอคีเวสนะ อย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายอย่างมีได้ละและมีได้ระ ง, งับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาหรือไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง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 บุรุษนำมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอคีเวสนะท่านคิดว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าต้องทำได้แน่ท่านพระโคดมเพระไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำอคีเวสนะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพรามเราได้เ่าหนึง่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้ว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 ละการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมอักขิเวสนะนี่คืออุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายัางไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราการบำเพ็ญทุกขระกิริยาอักขิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยปัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทําจิตให้เร่าร้อนดุดคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นเมื่อเราทําดังนั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเราประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเปือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่ กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้อักขีเวสนะเราจึงมีความคิดว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอูอู เราประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ไม่ได้เราจึงมีความบำริดว่าทางที่ดีเราควรบํำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิด เราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียบแทงศีรษะดังคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะอยู่ชั้นนั้นเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูมีทุกเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าดังคนที่แข็งแรง ใชเชือกหนังที่เหนียวขันศีรษะอยู่ฉันนั้นเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทา ง, ทงปากทางจมูกและช่องหูลมอันแรงกล้าก็บากในช่องท้องเปรียบดังคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องอยู่ฉันนั้นเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เกิดมีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าเปรียบดังคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านพเพลิงฉะนั้นแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า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 และอรูปฌานสีอันเป็นโลคิยะอคิเวสณนะเราจึงมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าถ้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติเช่นนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพเข้าทางขุมขนของท่านท่านจะได้ยังอันตรภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดําริว่าเราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างถ้าเหล่าเทวดาทำเช่นนั้นการปฏิญญานั้นจะพึงเป็นมูสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นไว้อคีเเวสนะเรามีความดําริว่า ทางที่ดีเราควรกินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเมล็ดถั่วภูบ้างเมล็ดถั่วดําบ้างเมล็ดบัวบ้างเมื่อเราทําดังนั้นกายก็สู้ผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเทาวันที่มีข้อมากหรือเทาวันที่มีข้อดําเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูด กระดูกสันหลังก็ผุดเป็นน้ำเหมือนเทาวันซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพังเหมือนกลอนสาราเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวประกฏอยู่ในบ่อ น, น้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไป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 ก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าระสมณะโคโดมดำไปบางพวกก็กล่าวว่าระสมณะโคโดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่ร้อยไปเรามีผิวพันธุ์บริสุทธิ์แปลงปลัง่เลงเพียงแต่เสียผิวไป เพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นอคีวสณะเรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราม เ, ราเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตหรือในอนาคตและในปัจจุบันเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไป แต่เราก็าอย่างนี้ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ด้วยทุกระกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เราจึงมีความดำริว่าจะพึงมีทางอื่นที่จะตรัสรู้บ้างไหมเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักกาธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากรามและอกุศลธรรมทั้งหลาย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 เราไม่กลัวความสุขที่เว้นจัดกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยอคีว e s e นะเราจึงมีความบํารีต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้พอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบเราก็กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมงมาก่ข้อนี้คือสำนวนที่มีในยะ หมายถึงอาหารโดยทั่วไปที่คนกินกันนะครับครั้งนั้นภิกษุปัญจะวคีที่เฝ้าบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณะโคโดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุ้มมาสเมื่อนั้นภิกษุปัญจะวคีนั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณะโคโดม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 เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยชาญที่มีความพองใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีตาปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงมจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตาติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสันเริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโ ส, สมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจตุทัฏฐฌานที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์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 คือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยาณแห่งราตรีกำจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงามจิตของเราอยู่ไม่ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเรานั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นมูสัตผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงมูสัตผู้เป็นไปตามกรรม เราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชชิมะยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงมจิตของเราอยู่ไม่ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิบุตรตพ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายยาน รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกะสมุทยัยเหตุเกิดทุก์นี้ทุกขะนิโรธความดับทุกนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาทางปฏิบัตินำสู่ความดับทุกนี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธาคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากการอาสวะ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 กำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ครอบงมจิตของเราอยู่ไม่ได้บุคคลผู้ไม่หลงอคีเวสนะเรารู้อยู่ว่า เมื่อเราแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยบริษัทถึงแม้บุคคลหนึ่งหนึ่งจะเข้าใจเราอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมแสดงธรรมปรารบเราเท่านั้นคือเข้าใจว่าทรงแสดงธรรมให้แก่เขาคนเดียวเท่านั้นท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นตถาคตยอมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นโดยชอบหมายถึงแสดงให้แก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ให้รู้แจ้งอย่างเดียวและในตอนจบเรื่องหนึ่งหนึ่ง เราประคองจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินภายในดำรงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดนิตยักการข้อนี้ควรเชื่อท่านพระโกดมผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านพระโกดมทราบดีอยู่รู้ว่าพระองค์เป็นผู้จำวัดในเวลากลางวันหมายถึงถามว่าพระองค์นอนกลางวันหรือไม่อคีเวเสนะ เรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเรากลับจากบินทบาศภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วปูสังคาติให้เป็นสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะนอนตะแคงข้างเบื้องขวาท่านพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมพวกหนึ่งกล่าวว่าการปฏิบัติแบบนั้นคือการนอนกลางวันเป็นการอยู่ด้วยความหลงอคีเวสณนะ บุคคลเป็นผู้หลงหรือไม่หลงด้วยเหตุเพียงเท่านั้นหาไม่ได้บุคคลเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้ไม่หลงด้วยเหตุใดท่านจงฟังเหตุนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวสัจกะนิครนถบุตรทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอักคีเวสนะอสวะทั้งหลายอันทาให้เศร้าหมอง ให้เกิดในภพใหม่ให้เกิดความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้เราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้หลงบุคคลนั้นเป็นผู้หลงเพราะยังละอาสวะทั้งหลายไม่ได้อาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวาย มีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละได้แล้วเราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ไม่หลงบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่หลงเพราะละอาสวะทั้งหลายได้แล้วตถาคตละอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิกรนทบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าจําได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโตวาทากับเจ้าลัทธิทั้งหคือท่านปุรณะกัสปะท่านมคคิ里โคสารท่านอาชิตาเกศกัมพลท่านปากุทากัจจายนะท่านสัญชัยเวลันทบุตรและท่านนิกรนทนาตบุตรท่านเหล่านั้นเริ่มโตวาทากับข้าพเจ้า ก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนและชักนำให้พูดออกนอกเรื่องทั้งทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏส่วนพระโคโดมผู้เจริญผู้ที่ข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งและไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ก็ยังมีพระชวีวันผ่องใสทั้งมีพระภาคเปล่งปลังเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สัจกะนิกรนบุตรชื่นชมยินดีพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคจากนั้นจึงขอทูลลาและลุกจากไปเพื่อทำกิจของตน